ขอนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบถวายความเคารพหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนกราบขอโอกาสหลวงพ่อกลมพระอาจารย์สงสิลพระอาจารย์วัฒนาชัยพระอาจารย์สุรินและก็เพื่อนสาธมิกเจริญพรพวกเราแม่ชีนะแล้วก็ญาติธรรมทุกคน ก็พวกเราก็สวดกันนะพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป พ, พระธรรมเป็นไฟเป็นไฟได้ยังไงมีความสว่างได้ยังไงตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพระธรรมทำแล้วให้เราเห็นนะ ไฟก็ทำให้เราเห็นนะถ้ามีความมืดไม่มีไฟเราก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าพระธรรมก็ทำให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าสว่างลุ่งเรืองเปรียบดวงประทีเพราะว่า น, นั่นคือไม่ว่าเราจะเอาพระธรรมนำไปเนาะไปทางไหนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นสิ่งที่โอ้เราก็ไม่เคยเห็นอย่างเราเนาะเรียกว่าเอาสติอะ กลับมาดูความเป็นไปของกายเราของใจเราอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เหมือนกับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่มามาื่ก่อนนี่เราเคยอาศัยตาเนาะเป็นสิ่งที่ใช้ดูนะปรากฏว่าพอตาเราไม่มีแสงอย่างนี้เนาะเราก็ไม่สามารถเห็นได้แต่ปรากฏว่าพอเราใช้สติปุ๊บ จะเป็นข้างในร่างกายเรอที่มันรีรับแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเพียงแค่อาศัยความรู้สึกตัวเราก็ใช้ได้หมดเลยเห็นชัดเจนเนาะตรงนี้เหมือนอย่างเมื่อกี้พระจันทร์สุลินท่านก็ผ่าสวดธาตุปัจจเบกนะธาตุปัจเบ ก, นะกก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่ทันได้ได้เห็นเนาะพวกเราก็เหมือนกับซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ ม, มาใช่ม ัมัน ย, ยังอยู่ในหอเนาน ะ, ะก็สวยงามมากเลยครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันพอเราจับขึ้นมาคลี่มาขยี้ขยำต่างนานาเหล่านี้นะเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆนะมันก็หมองไปนะพอใช้ไปใช้มานะเดี๋ยวก็มีคราบมีคล้าก็ไป จะใช้บลิสใช้แฟบอะไรสักแค่ไหนก็ตามเนี่ยเนอะมันก็ค่อยๆน่าเกลียดไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอย่างเงี้ยอาหารก็เหมือนกันใช่ไหมเช ค, คสวยๆเนาะจะเป็นบริโภคเข้าไปพอมันลุงขึ้นก็กลายเป็นก้อนอะไรขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นของแบบนี้นะจะเป็นบ้านใหม่ๆจะเป็นอยู่ยาที่เราเป็นวิตามินอย่างดีอะไร ต, ต่างๆนานาเหล่านี้อะไรเงี้ย ใช่ไหมพอเวลาที่ร่างกายเราเข้าไปสัมผัสไปแตะไปต้องเนาะเดี๋ยวก็ลาขึ้นนะเดี๋ยวก็มีคราบขีดมือขีดไม้อะไรต่างๆนาน า, น า, นานเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าก็แบบว่าให้เราเห็นสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอีกมุมหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็งดงามนะงดงามมากๆเลยพระธรรม เมื่อวานนี้เราก็เห็นนะเห็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนพิการเนาะแต่ก็น่าดูนะหลวงพ้าก็สังเกตเห็นแต่ละคนแต่ละคนก็ดูไม่วางตาเนาะคนพิการเป็นอมภาษไม่น่าดูตรงไหนเลยนะแต่ว่าหมายถึงว่าพอเวลาที่เรามองเห็นเรื่องราวที่เดินทางออกมาจากบุคคลคนนั้นมันก็ดูน่าดูนะ แต่วนั่นคืออาจารย์กมพลก็บอกบอกว่าผมเป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมเนาะอย่างนี้อย่างนั้นความที่อาจารย์กมพลเป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมเนี่ยความพิการก็ไม่มีความหมายเพราะนั่นคือก็ปรากฏว่าพระธรรมก็แสดงก็เรียกว่าได้อืจะว่าแสดงก็ไม่ค่อยถูกนะแต่เหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นว่า ก็ทำก็ทำให้เกิดสิ่งต่างๆ น, นานาที่น่าดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีความหมายมากๆเมื่อวานนี้ไม่ทราบใครได้ทันคำพูดสุดท้ายของจาย์กําพลนะที่บอกบอกว่าสุดท้ายสุดท้ายก็ไม่ใช่สุดท้ายที่สุดนั่นหละที่บอกบอกว่าเออนี่ชะไมวันๆหนึ่งก็มีเรื่องเข้ามาหลายเรื่องคนก็ผู้สัมภาษณ์ก็ถาม บอกว่าไม่ปวดหัวกับเรื่องราวเยอะๆหรอที่คนนั้นคนนี้เอามาฝากไว้อะไรเงี้ยจันกมลก็บอกบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะแต่นี้เป็นหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยคนละอันกันตรงนี้พรอทำแล้วก็จะมีส่วนที่เหมือนกับว่ามีการเขาเรียกว่ามีการชี้ให้ทำเนาะแล้วพอทำเรื่องหนึ่งขึ้นมามันก็จะเกิดผลอันหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ย มีเหตนะุที่เกิดนะแล้วก็มีผลที่ตามมาอย่างนี้นะอย่างนั้นอาจารย์กระผลก็บอกว่าผมแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้หรอกเนาะอย่างนี้แต่ว่านั่นคือให้จะแม้ได้แบบว่าให้พระธรรมเป็นข้อคิดของเขาแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาเนี่ยก็ต้องกลับมาก็เรียกว่าเริ่มต้นที่ตัวเองการที่กลับมาเริ่มต้นที่ตัวเองตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทางพุทธเราก็ ทางพุทธเราก็ถือว่าเป็นหลักเนาะเป็นหลักอย่างยิ่งการกลับมารู้สึกตัวที่ครูบาอาจารย์ที่นี่พูดกันที่แนะนำให้เราทำกันเนี่ยตรงเนี้ยก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะกลับมารู้สึกตัวนี่คือการกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะอย่างเมื่อวานนี้พระอาจารย์เพศานก็เล่าให้ฟังเนาะถึงถึงคนญี่ปุ่นเนาะที่เป็นคนเมาคนหนึ่งนะ กับมุมมองของอีกสองคนที่ที่มองคนหนึ่งก็มองว่าเอ ว, วนี่จะต้องจัดการก็ด้วยก็เรียกว่าแม่ไม้มวยไทยหรืออะไรทำดองนั้นเนาะสักอันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้จัดการอะไรเนาะแต่ว่านั่นคือก็เหมือนกับว่าอาศัยเมตตาจิตที่มีอยู่ในใจก็ ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้วางแผนอะไรแต่เหมือนกับว่าอืมเขาก็ ม, ามีเมตตาจิตนะ <c oughs> เห็นคนนี้เป็นคนทุกข์เหมือนกันอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการที่เราเนาะเรียกว่าอาศัยอาศัยธรรมะเราก็จะอาศัยแบบนี้เนาะอาศัยจิตใจเนาะที่เป็นปกติเนาะจิตใจที่ไม่มีอะไรพอกพูนขึ้นมามากมาย แต่ว่าเราเพียงแค่อาศัยจิตใจที่เป็นจิตใจเดิมดนะจะเป็นจิตใจเดิมแท้ของเราก็ตามที่ไม่มีความโกรธความโลภความหลงอะไรเข้ามาครอบงาตรงนี้อาศัยเป็นเครื่องดำเนินชีวิตพอเราอาศัยจิตใจแบบนี้ดำเนินชีวิตเนี่ยเรื่องราวดีๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาแต่ว่านั่นคือบางทีเนี่ยเราเนาะอยู่กับโลก อยู่กับโลกก็คืออยู่กับโลกใบนี้เนาะอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยก็จะแบบว่านักประดิษฐ์สําคัญของโลกคนนั้นทําเครื่องบินคนนี้ทําเรือดําน้ําอะไรต่างๆนานาเหล่า น, า น, านี้เราก็จะเหมือนกับว่าเพลิดเพลินเนาะไปกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆแต่ว่าตรงนั้นอะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเรามองด้วยมุมของธาตุปัจเจบกนะคลั้นมาถูกเข้ากับกายอันเนาอยู่เป็นนิดนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวเคบินกระตกนะเรือดำน้ําก็จมอย่างเงี้ยใช่ไหมคือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ว่าจะดีแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ตามเนี่ยใช่มครับคันพอเราเริ่มใช้เข้าไปมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มสึกหรอตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าเราก็ชื่นชมนะกับการสร้างทําสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่างๆเราไม่ค่อยได้กลับมา มาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะสิ่งที่ <c oughs> เราเองเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าได้สร้างทำเรื่องราวอันหนึ่งขึ้นมาเนาะเราก็เหมือนกับมีจิตใจอยู่เนาะแต่ว่าการกระทําต่างๆของเราเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะเราเริ่มต้นจากการที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดนะเหมือนเด็ก เล็กๆนะพวกเราทุกคนก็คงเคยมีน้องมีนุ่งเคยเห็นลูกเห็นหลานอะไรอย่างี้เนาะเด็กๆดวงตานี่สดใสมากๆเนาะนะอย่างนั้นดูแบบว่าน่ารักน่าชังเนาะที่เราก็พูดถึงแต่ว่าอันนึงก็คือเราจะเห็นความสะอาดบริสุทธิ์ที่อยู่กับเด็กแต่ว่าทำนองเดียวกันเนี่ยพอโตขึ้นโตขึ้นนะมาสิ่งต่างๆที่ อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเกิดขึ้นมาจากการถูกเอาอกเอาใจเนาะตรงนั้นจิตใจเรก็จะเหมือนกับว่าคุ้นเคยกับการเอาใจตัวเองพอคุ้นเคยกับการเอาใจตัวเองนานๆเนี่ยเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเกิดสิ่งที่จิตใจก็ถูกหล่อล้อมไป คนที่เอาใจตัวเองแล้วก็ถือใจเป็นใหญ่เอาใจตรงนั้นนำหน้าเนี่ยแบบว่ามันก็จะเกิด <c oughs> ก็เรียกว่าสิ่งต่างๆที่เดือดเนื้อร้อนใจตัวเองเนาะสิ่งต่างๆที่ไปกระทบนะกับคนอื่นๆรอบข้างตรงนี้นะก็ทำให้เกิดก็เรียกว่าทุกข์กับตัวเองแล้วก็ทุกข์กับคนอื่นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ธรรมะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยขัดใจนะแล้วก็มีภาษาใช่ไหมภาษาที่บอกว่าแบบว่ามีการขัดใจเราถูกขัดใจหรือว่าผู้ใหญ่จะขัดใจเราบ้างหรืออะไรต่างๆตรงนั้นก็คือขัดที่สิ่งที่มันเข้ามาเกาะเนาะเข้ามาเกาะใจที่สะอาดบริสุทธิ์ของเราเนี่ยตรงเนี้ยขัดขัดออกไป เครื่องมือที่ขัดออของเราเนี่ยทัธงทำเนี่ยก็จะสร้างเครื่องมือไม่ใช่สร้างเครื่องมือก็จะใช้เครื่องมืออันหนึ่งที่เรามีกันอยู่แล้วก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าสติเนาะแล้วก็การขัดถูเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เลี้ยวใช้แรงเหมือนอย่างใช้สก็อตบล็อแต่ว่านั่นคือเพียงแค่เรากลับมาเริ่มต้นที่ตัวเรากลับมาดูเนาะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรากับใจเรา ตนี้เป็นสิ่งที่ทางหลวงป่าเทียนจะบอกบอกว่านี่คือเราเรียกว่าเราคอยรู้สึกเนาะเราเริ่มต้นรู้สึกไปกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเริ่มต้นที่รู้สึกไปกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะเห็นใจที่คิดนึกได้เลยนั่นคือตรงนี้เนี่ยพวกเราที่มาทำกรรมฐานกันที่นี่เริ่มต้นไม่ถึง5นาทีแรกเนี่ยที่เราเริ่มเนาะยกมือสร้างจังหวะกัน เราก็จะเห็นใจที่เผลอไปคิดทันทีตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนก็ให้เราเราะเขาเรียกว่าทําเหตุขึ้นมาก่อนทําเหตุขึ้นมาก่อนพระอาจารย์ที่ถ้าเกิดว่าพวกเราอยู่กับพระอาจารย์มัทนาชัยเนี่ยสองสัปดานี้พระอาจารย์มัทนาชัยก็จะบอกว่าเขย่าทาตุรู้นะอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยพออาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเขยา่าเขย่าร่างกายเนี่ย จิตใจเนาะมันก็จะเริ่มโบยบินตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเราเขย่าต้นไม้นะต้นไม้เดิมทีเราอาจจะมองไม่เห็นนกกาที่อยู่ในต้นไม้พอเราเขย่าปุ๊บต้นไม้ก็ใช่หมสั่นสั่นไหวนกกาก็บินกันตรงนั้นก็เหมือนกันเราไม่ต้องหาจิตใจนะว่าจิตใจอยู่ตรงไหนแต่ว่านั้นคือเราเริ่มต้นที่กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะเห็นใจที่คิดนึกทันทีหลวงพ่อเขียนก็ <ś ö ly> ช่วยเสริมให้นะบอกว่าไอ้สิ่งที่นึกคิดตรงนั้นนะ่ะณขณะนั้นนะ่ะที่เราเรียกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าความคิดที่ไม่ตั้งใจเพราะในขณะที่เรากาลังตั้งใจนะดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการลักคิดหรือความคิดที่ไม่ตั้งใจตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเนี่ย ระบุเลยนะว่าความคิดแบบนี้ละ่ะที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของปัญหาต่างๆเนะนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเนอะเด็กๆเนอะอาจจะหงุดหงิดลำคันใจอาจจะไม่พอใจอนนุน้อ น, นี้ง่ายๆเนี่ยตรงเนี้ยนะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความคิดแบบนี้ละ่ะที่มันลักคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นนั่นคือกรรมฐานของเราเนี่ย ก็จะให้น้ำหนักกับตรงนี้เมื่อมีกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยให้เราคอยดูใจที่คิดนึกตรงนี้ถ้าเกิดว่าเห็นเนาะว่าเรากำลังหลงไปคิดเผลอไปคิดก็ตามเนี่ยให้เรากลับมากลับมาที่ไหนให้กลับมาที่มารู้กายที่เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ไอ้การที่หลวงปเทนบอกว่าให้กลับมารู้กายที่เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้ผลของการทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นผลก็คือจิตใจเนาะที่ไปเกาะเกี่ยวอยู่กับความคิดเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวผลเกิดอะไรขึ้นผลอีกครั้งหนึ่งก็คือจิตใจเราก็เหมือนกับว่าหลุดมาจากความคิดเนาะหลุดออกมาจากความคิดปลอดภัย กลับมาอยู่ร่างกายนี้นีเนี่ยตรงเนี้ยนะก็มีความรู้สึกว่าคือกรรมฐานเนาะที่หลวงพ่อเทียนได้ให้ไว้เนี่ยเป็นกรรมฐานที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผลที่เกิดตามๆกันมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่านั่นคือเนาะเราก็บอกว่าจิตใจเราเป็นทุกข์นะจมอยู่ในกองทุกข์อะไรต่างๆตรงเนี้ย เราไม่มีวิธีการนะที่จะช่วยตัวเองแต่พอเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยการกลับมารู้สึกตัวตรงเนี้เป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าอืจิตใจเราก็ปลอดภัยทันทนะีแต่ว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็เหมือนกับว่าใช้ทาเป็นเหมือนกับบรรยากแก้ปวดนะเหมือนกับว่าเอ๊ะทำปุ๊บทำไมไม่หายปวดอะไรอย่างนี้นะใช่อย่างเนี้ย ทำปุ๊บทําไมความคิดไม่หายไปตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราลืมไปเนาะว่าเราลงมือกระทําเนาะถึงได้เกิดผลขึ้นมานะเวลาสิ่งที่เกิดใหม่ขึ้นมาจะเป็นความคิดยุย่งยุ่งยากยากใหม่เกิดขึ้นมาก็รู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็การรู้สึกตัวอีกครั้งก็ใช้เวลาสั้นมากๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนาะ ที่เกิดขึ้นนะที่มันแปลกปลอมขึ้นมาในจิตใจเราที่มันเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่จิตใจเราไปเกาะเกี่ยวกับความคิดที่เรียกว่าลักคิดเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เปลี่ยนมาเนาะเปลี่ยนมากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึง่งกลับมาเริ่มต้นที่ตัวเราใหม่อีกครั้งหนึง่งไม่ไหลไปตามความคิดเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาเรียกว่าเราก็จะพบกับสิ่งที่เรียกว่า เป็นของจริงนะเป็นของจริงที่เราเนี่ยทำขึ้นมาได้จริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราให้เราได้เหมือนกับว่าศรัทธาในการกระทําหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยจะพูดคํานี้นะให้เราได้ศรัทธาในการกระทําอย่าคิดเอานึกเอาเฉยๆเพราะเราเองเนี่ยเราจะใช้ความคิดเนี่ยเนาะนำชีวิตเราเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ว่าตรงนั้นเอง เราเองเราก็เคยเนาะก็เรียกว่าคิดคิดกันคิดหาคําตอบเนาะต่างๆเนาะผ่านก็เรียกว่าผ่านชีวิตประจำวันของเราวันหนึ่งอนะนับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะตัวหลวงพ่อเองเนาะหลวงพ่อเองก็สิ่งหนึ่งที่สมัยก่อนเป็นโยมเนี่ยจะพูดอยู่เป็นประจำนะแล้วก็เป็นวาจาสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่า ถือว่าเวลาที่เราพูดคำนี้เนี่ยเพื่อให้คนอื่นได้ยินและให้เพื่อคนอื่นทำตาม <c oughs> คำพูดคานั้นคืออะไรทําไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ทําไม่ได้เด็ดขาดเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คำนี้เน่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่เมื่อก่อนนี้นึกถึงใจตัวเองเนาะเวลาที่ใช้คำนี้เนี่ยก็เพื่อให้คนอื่นเนี่ยหยุดความวุ่นวายเนาะอย่าไปนั่ง ทำนูนทำนี่อะไรให้มันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นทางโลกโลกเลยนะว่าเหมือนกับบางทีเราก็เชื่อความคิดนะแล้วเราก็เองเราก็เหมือนกับออกคําสั่งคนอื่นด้วยเราก็เชื่อความคิดนเราเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดทำไม่ได้หรอกซึ่งอย่างนี้เนี่ยพอเวลาที่ตลวงพกอคมเขียนนะอยู่ที่นี่อา้าเราก็ลองดูก่อน อย่าเพิ่งด่วนรับอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธนะให้เราเชื่อการกระทําของเราลองดูก่อนทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงคาสอนแบบนี้เนาะแล้วเราล อ, ลองลงมือกระทําดูเนะี้ยเราจะพบว่าไอ้ที่บอกทาไม่ได้เด็ดขาดนะเด็ดขาดเดิอนะไม่ใช่ว่าทาไม่ได้เฉยๆเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเนะี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันก็ ทำได้เนาะทำได้แล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับพอเราเนี้ยอยู่กับความคิดเนาะอยู่กับความคิดคนเราก็จะอยู่กับความคิดกันมากๆงานวิจัย ก, ก็ก็บอกนะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดกันเป็นโอ้หกหมืนครั้งอย่างนี้หกหมื่นครั้งอย่างนี้นะวันหนึ่งเราอยู่กับความลักคิดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าในหกเจ็ดหมืนครั้งเนี่ย จะมีความตั้งใจคิดสักกี่ครั้งถึงพันครั้งหรือเปล่าก็ไม่ถึงหรอกอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเนาะพอเวลาที่เรามาทำกรรมฐานกันเนี่ยให้เราได้เชื่อการกระทาของเราเพราะว่าการที่เราทำเนาะก็เรียกว่ากลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งกลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการที่เรากลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาจากความหลงนะ ตรงนี้ที่สําคัญเนะก็คือเรากำลังหลงอยู่เนะกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ข้างหน้าในพระธรรมเองเนี่ยในบทที่เราสวดกันอยู่ทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์พลัดพลาคจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ทั้งหมดตรงนี้เนี่ย เกิดขึ้นมาจากใจเราคิดผิดไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยคิดว่าจะเจอสิ่งที่ถูกใจไม่เจอสิ่งที่ถูกใจก็เอ้าผิดหวังอย่างเงี้นะคิดว่าสิ่งที่เราถูกใจพอใจจะอยู่กับเราตลอดไปเอ้าไม่อยู่กับเราตลอดไปก็ผิดหวังอีกอย่างเงี้ยนะหวังจะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เจอตามที่หวังเอ้าก็ผิดหวังอีกทั้งหมดเนี่ย ก็มาจากใจเราเนาะที่คิดผิดไปหมดเลยอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยความคิดเนะ น, นาะณขณะที่เรากําลังนั่งอยู่นะการที่เรานั่งอยู่ก็เป็นเรื่องจริงความคิดก็ไม่เป็นเรื่องจริงเนาะอย่างนั้นคือสิ่งที่จับต้องได้จริงๆนะก็คือการที่เรากําลังนั่งอยู่นะนั่นการที่อย่างเราสวดบทสติปัฏฐานเนี่ย นั่งก็รู้ให้นั่งอยู่ยืนก็รู้ให้ยืนอยู่เดินก็ให้รู้ว่าเราเดินอยู่นี่คือของจริงๆที่เรามีได้จริงๆตอนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้นอะไรเงีเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุดก็ตามอะไรเงี้ยตรงนั้นก็คือไม่ใช่ว่าเราอยู่กับความคิดความคิดที่เป็นอดีตเนี่ยหรือพ่อกำเจนอาจจะใช้คําที่แรงนิดนึงนะเราจะมุดท้องพ่อท้องแม่ไปเปลี่ยนได้ไหม <laughs> แม้กระทั่งนาทีที่แล้วหรือว่าแม้กระทั่งเมื่อวานนี้หรือปีที่แล้วหรืออะไรไงก็ตามเนี้ยเราไม่มีทางสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเริ่มต้นใหม่เนาะอย่างเนี้ยหรือว่าอนาคตที่ยังไม่มาเนี่ยหลวงพ่อเขียนก็บอกบอกว่ามีใครเคยเห็นมันพรุ่งนี้บ้างเนี่ยอย่างเนี้ยไม่มีนั้นนักนคือตรงเนี้ยนะว่าของจริงๆนะก็คือตอนนี้ล่ะตอนที่เรากําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะ ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากลับมาแล้วเรากาลังนั่งอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้ไหมเรากาลังยืนอยู่เรากาลังจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้ไหมตรงเนี้ยก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าอือนั่งอยู่ก็นั่งอยู่กับสตินะใช่ไหมอย่างเงี้ยใช้สตินะถ้านั่งอยู่นะก็เอานี่เราลองเนาะนั่งอยู่กับสติมีสติกับการนั่งเนี่ยอย่้ยืนอยู่ก็เรามีสติกับการยืนจะเดินจะ ลุกนั่งยืนอึ่ฉี่อะไรตานานหแล้าเนี่ยลองมีสติกับสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ณตอนนั้นๆจริงๆเนี่ยตรงนั้นเราก็จะทำสิ่งต่างๆเนาะได้อย่างงดงามได้อย่างดีที่สุดตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าถ้าเราเนาะกลับมาพิจรารณ า, ากันตรงนี้พิจรารณ า, ากันเนี่ยผ่านสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นของเราเนี่ย การที่เรานั่งยกมือสร้างจังหวะกันการที่เราเดินจงกรมกันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยจะบอกอะไรเนาะเขาจะบอกอะไรเราบ้างเนาะเนี่ยตรงเนี้ยมีกายเนาะมันก็ต้องมีทุกข์เนาะก็ต้องมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยเนี่ยเราจะปฏิเสธสิ่งนี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าความเจ็บความปวดความเมื่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสติที่จะคอยดูเขาตามดูเขาเนี่ยเราจะพบว่า มันมีเนาะก็เรียกว่ามีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปเวลาที่เราเดือดร้อนกันจริงๆเนี่ยก็คือก่อนที่เขาตั้งอยู่นะแต่เขาเกิดขึ้นยังไงเขาดับไปยังไงเราไม่ค่อยได้สนใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสตินะคอยรู้สึกตัวเนี่ยคอยกลับมาเนาะรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวครั้งหนึ่งรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเห็นสิ่งเนี้ยเนาะที่บอกว่าสว่างรุง่งเรืองเปยบดดงปฏิบเนี่ย ตรง น, รงนี้การที่เราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยก็จากพระธรรมนี่แหละเนาะการกลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งกลับมารู้สึกตัวครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเรากับใจเราแล้วก็สิ่งตรงนี้มันจะประมวลขึ้นมาเป็นความรู้ใหม่เนาะที่พระอาจารย์ไพศาลบอกว่าเป็นความรู้นะเป็นความรู้ของของชีวิตเราอย่างเงี้ยนะเป็นความรู้เรื่องชีวิตเรา เป็นความรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราแล้วก็เราจะเอาความรู้ตรงนี้ละไปใช้เป็นประโยชน์เราเห็นอาจารย์กำพลนะมัมามานคนพิการเนี่ยเป็นอมภาะาทั้งตัวเนี่ยดูเปล่าประโยชน์มากมากเลยเนาะใช่ไหมอย่างนั้นแต่ว่ามัมานอาจารย์นี่เขาเรียกว่าแม้กระทั่งอาจารย์เนี่ยเราสังเกตอาจารย์ตั ก, กอาหารเนาะมันจะเป็นนี่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวยวน <c oughs> เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวกลมๆเนาะอาจารย์ตักเนาะด้วยความบิการของอาจารย์เนี่ยสังเกตไหมว่าอาจารย์ตักเนาะจากชามขึ้นมาถึงปากเนี่ยนะไม่มีคนอื่นช่วยป้อนนะไม่หกไม่เลอะการทําให้ดูอยู่ให้เห็นเนี่ยตรงนั้นก็ไม่ใช่อาจารย์กำพลทําให้ดูนะแต่ว่าด้วยธรรมะเนี่ยที่อาจารย์กำพลมีเนี่ยมันทําให้การขยับกระยื่นเคลื่อนไหวของอาจารย์เนี่ยมันดูน่าดู แล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นตรงนั้นนะ่ะมันกลายเป็นอืเขาเรียกว่าความรู้ใหม่ๆของเรามันกลายเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าอ้อนี่นะใช่ไหมบา๊ะบ๊ะชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันผ่านไปเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่าคนที่เป็นคนพิการคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตที่เรียกว่าทุกลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ไม่ได้มีอะไรเป็นศูนย์ประกอบนะไม่ได้มีความงดงามของร่างกายไม่ได้มีเสื้อผ้าใหม่ไม่ได้มีผมเผมอะไรต่างน า, านาเหล่านี้ที่เราพวกเรากันเองเนี่ยหวังเป็นสารณะมีเสื้อผ้าใหม่ก็ดีนะมีผมใหม่ก็ดีมีอนุนเอ็นี้ใหม่ก็ดีเนี่ยแล้วก็คิดว่าพวกนั้นมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่น่าดูน่ามองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมะที่มีอยู่ในตัวเรา ที่เขาฉายออกมาใช้ามาผ่านการกระทําผ่านการเคลื่อนไหวผ่านแรงต่างาๆเหล่านี้เนี่ยนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเมื่อมีเหตุที่ดีอย่างนี้ก็คือมีธรรมะที่นําชีวิตเราเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ประโยชน์กับคนอื่นสิ่งที่อาจารย์กำพลรมอาจจะไม่ได้ประดิษฐ์คิดค้นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่าตรงนั้นนะสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ย เราดูเขาเรียกมาเราดูวิดีโออันนี้เนี่ยวิดีโอนี้ทำมา8ปีเนาะ8ปีแล้วดูแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบได้ข้อคิดเนาะได้เห็นสิ่งดีๆเนี่ยตลอดเวลาเหมือน ก, นกันกับพระธรรมของพุทธเจ้าเนี่ย 2, ปีที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้เนี่ยเวลาได้อ่านได้พิจารณาต่างๆนานาเหล่านี้ ที่สําคัญก็คือได้เอามาทำเนาะได้เอามาทําตามเนี่ยเราจะพบว่าตรงนี้ละเป็นสิ่งที่เราจะมีได้จริงๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมเนาะเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมเนื่องจากว่าธรรมะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเป็นอริยสัพนะเป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครเอาไปได้ตรงเนี้ยหมายถึงว่าการที่เรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ย ตรงเนี้ยเขาก็จะค่อยๆนะก็เรียกว่าสะสมอยู่ในตัวเราการรู้สึกตัวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่จะทําหน้าที่แล้วหลวงพ่อรมเจนบอกว่าเวลาที่เขาถมแม่น้ำเนี่ยเขาก็จะใช้หินทีละก้อนทีละก้อนเนี่ยโยนลงไปโยนลงไปโยนลงไ ป, งไปหินแต่ละก้อนก็ได้ทําหน้าที่แล้วเพราะว่าบางทีเราอาจจะเห็นหินก้อนสุดท้ายที่โยนลงไปปุ๊บแล้วก็ น้ำก็หยุดไหลทันทีอย่างเงี้ยนอนอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยการรู้สึกตัวที่เรามีแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งตรงนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วนะให้เราได้เหมือนกับว่ามีศรัทธาเนาะที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาใช้กับชีวิตของเราแล้วก็ธรรมะที่ใช้เนี่ยตรงเนี้ยแค่กลับมาเริ่มต้นที่ตัวเรากลับมารู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกกับอะไรที่มากมายนะ รู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราเนี่ยพอเรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราจะพบว่าทั้งวันเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมตัวเนี้ยเราก็จะเก็บผลตรงเนี้ยเอาไว้ติดตัวเราซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าผลกรรมเนาะที่เราทําอันนี้เนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีทุกข์กันทุกคนเลย จะเป็นชาตินี้ก็เป็นไปได้หรือจะเป็นชาติหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นนั่นคือตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้มีศรัทธากับการรู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวตรงนี้ว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่าเป็นธรรมะที่พระเจ้าให้ไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราเอามาใช้แล้วก็ตรงนี้ละเราจะเห็นเขาเรียกว่าความสว่างนะลุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปกันทุกคน ก็กลับพระพร้อมกัน